พวกเราทุกคนที่เกิดมานี้เกิดมาเพื่อหาความสุขกันเกิดมาเพื่อกำจัดความทุกข์กันเพราะความทุกข์มันเป็นเหมือนไฟทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราไม่สบายคนคนความสุขเป็นเหมือนความเย็น ทำให้ใจเราเย็ยนทำให้ใจเราสบายแต่การหาความสุขของพวกเราและการกำจัดความทุกข์ของพวกเราเป็นการกระทาที่ได้ผลชั่วคราวคือความสุขต่างๆที่เราหากัน หาได้มามากมาน้อยเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดเหมือนควันไฟความทุกข์ต่างๆที่เรากําจัดกันมันก็ไม่หมดสักทีกาจัดความทุกข์วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีความทุกข์อันใหม่โผลมาอยู่เรื่อยๆ ทำไมเราไม่สามารถที่จะหาความสุขที่จีหลังถาวรและกาำจัดความทุกข์ที่ถาวรได้กิเพราะวิธีการหาความสุขของพวกเราการกำจัดความทุกข์ของพวกเรา ไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องนั่นเองวิธีที่พวกเราหาความสุขกันก็คือมาเกิดกันมาเกิดเพื่อที่เราจะได้หาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอเราเกิดมาแล้วเราก็มาหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงเกียนตรสต่างๆแต่ความสุขที่เราหาเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ปล่อยให้เรามีความรู้สึก สร้างวางเปล่าเปลี่ยวมีความรู้สึกไม่สบายอืเราก็แล้วต้องไปหาใหม่ความสุขที่เราได้จากเมื่อวานนี้มันหายไปหมดแล้ววันนี้เราก็ต้องไปหามันใหม่เพราะถ้าเราไม่มีความสุขมาให้เรามาให้กับใจของเราใจของเราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมา เราก็เลยต้องคอยไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียเกิดจากการพัดพากจากสิ่งที่เราหามาได้กันเพราะสิ่งต่างๆที่เราหามา ได้นั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันอาจจะอยู่กับเรานานบางทีก็ไม่นานได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปได้ลาบแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลาบได้ยศแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมยศได้สรรเสริญเดี๋ยวก็ได้นินทาได้สุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ทุกข์ตามมา เวลาที่สูญเสียความสุขไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ <Yeah. S 1> ไม่มีใครรู้วิธีที่จะหาความสุขแบบถาวรความสุขและไม่มใครไม่มีใครรู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์แบบถาวรได้ <Yeah. S 1> มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหายไปหมดและทำให้ความสุขปรากฏขึ้นมาแบบถาวรความสุขที่เกิดขึ้นในใจที่จะอยู่กับใจไปอย่างถาวรพระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าความทุกข์นี้จะไม่เกิด กับผู้ที่ไม่มาเกิดทุกย่อมไม่มีกับผู้เกิดตราบใดมีการเกิดตราบนั้นย่อมมีความทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากความสุขต่างๆที่หามาได้คือต้องพัดพากจากลาบยศจสลเสญ พัดพลากจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพัดพลากทั้งในขณะที่มีชีวิตยอยู่และพัดพลากทั้งในขณะที่ตายไปและการเกิดมาแล้วก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายไม่ว่าจะเกิดมาสูงขนาดไหนรวยขนาดไหน ก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นการพัดพรากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไปวิธีเดียวที่นั้นที่จะทำให้ไม่เกิดทุกข์ก็คือการไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่มีการพัดพราก จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆแล้วเมื่อไม่มีทุกข์จิตก็จะมีแต่ความสุขเพราะโดยธรรมชาติความทุกข์กับความสุขนี้เป็นเหมือนความมืดกับความสวาม่างเป็นสิ่งที่อยู่กันคนละวาระไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในที่เดียวกันได้ ถ้าสว่างความมืดก็ไม่มีถ้ามืดความสว่างก็ไม่มีฉัน้นใดถ้าไม่มีความทุกข์ในใจก็จะมีความสุขในใจถ้ามีความทุกข์ในใจความสุขในใจก็ไม่มีเะ็นวิธีหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวร และการกําจัดความทุกข์ที่แท้จริงที่แถววนต้องทำด้วยการไม่มาเกิดเท่านั้นทุกยังไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ความจริงที่เกี่ยวกับจิตใจของพวกเราทุกคนจิตใจของพวกเราเวลาสุขมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม เวลาทุกข์มันก็ไม่สุขฉะนั้นเราต้องทำให้มันไม่ทุกข์เราไม่ต้องไปหาความสุขให้เสียเวลาเพราะความสุขมันอยู่ที่การไม่มีความทุกข์นีเองและการที่จะไม่มีความทุกข์ได้ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีกับผู้ที่ไม่เกิดและถ้าทำยังไง ถึงจะทําให้เราไม่ต้องมาเกิดกันก็ต้องกําจัดเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันเหตุที่พาใพวกเรามาเกิดกันพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบว่าเป็นความอยากสามชนิดด้วยกันเรียกว่าหนึ่งการมตัญหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็จะพาให้มาเกิดในกามะพภ์ความอยากหาความสุขจากการมีการเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาก็จะพาให้ไปเกิดในรูปภพและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาก็จะพาให้ไปเกิดในอรูปภพกามะพภ รูปภพอรูปภพนี้เป็นส่วนประกอบของสังสารวัฏคือวัตตะสงสารคือไตรภ พ, พที่สัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตามอำนาจของกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาถ้าตราบใด ม, มีความอยาก อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้อยู่ในใจถ้าอยากถ้ามีกามตัณหามีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมาเกิดในกามะพุเนี่ยกามพุรรมพนี้ก็มีแบ่งเป็นหลายชั้นชั้นสูงชั้นต่ำอยู่ในซีของความสุขและความทุกข์ซีของความสุขก็เรียกว่าสุกคติ ที่อยู่ของเทวดาซี่ของทุกขติก็คืออบายที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตเป็นของอสูรกายของสัตว์นรกและที่อยู่ระหว่างกลางคือภพของมนุษย์ภพเหล่านี้ก็เป็นภพชั่วคราวทุกภพ เมื่อไปเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายตายแล้วก็กลับมาที่พบของมนุษย์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายส่วนพวกที่เสพภาวะตันหาเคสเสพความสงบจากฌานเนี่ยพวกนี้ก็จะไปเกิดในรูปภพเนี่ยเป็นภพของพรหม ที่มีความสุขมากกว่าภพของเทวดาแล้วพวกที่มีวิภาวะตัณหาคือพวกที่เสบรูปรูปประชาได้พวกนี้ก็จะไปเกิดในอรูปภพเป็นภพที่สูงสุดที่มีความสุขมากที่สุดในตายภพแต่ก็เป็น พบที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรในกิดในอรูปภพแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากอรูปภพแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พราอพบของมนุษย์นี้เป็นที่เติมความสุขต่างๆต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาสร้างบุญหรือสร้างเหตุ ที่พาให้ไปเกิดในภพต่างๆผู้ที่กลับมาเปิดเป็นมนุษย์แล้วปฏิเข้ารูเข้าอารูปประชานได้ก็จะกลับไปเกิดในอรูปภพผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเข้ารูปประชานได้ก็จะไปเกิดในรูปภพพวกที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําบุญทําทานนักษาศีลได้ ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาออพวกที่รักษาศีลได้แต่ไม่ได้ทําบุญทําทานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ออส่วนพวกที่ไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้รักษาศีลทําแต่บาปออพวกนี้ก็จะไปเกิดในอบายออไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เ, ออเป็นเปรตเป็นอาศุล ก, กาย ไปนรกหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญผลบาปที่ทำาแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเริ่มต้นใหม่มาทำบุญใหม่มาทำบาปใหม่มาเข้าสมาธิเข้าฌานใหม่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคเราที่มาเกิดในโลกนี้จึงทำกิจกรรมต่างกัน หาความสุขต่างกันส่วนใหญ่จะหาเหมือนกันคือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดตะพะคือหาความสุขเพราะมีกามตัญหาเพราะมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกพวกหนึ่งมาเกิดแล้วก็ชอบไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิ เข้ารู ป, ประฌานอีกพวกหนึ่งก็หาความสุขจากสมาธิระดับอรู ป, ประฌานถ้าเคยมีความสามารถที่จะทำแบบไหนหาความสุขแบบไหนเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะหาความสุขแบบนั้นต่อถ้าเคยหาความสุขจากการทำบุญทาทาน จากการรักษาศีลก็จะมาทําบุญทาทานมารักษาศีลใหม่ถ้าเคยหาความสุขจากการไปนั่งสมาธิเข้ารูปฌปานก็จะกลับมาบวชมาเข้าสมาธิมาเข้ารูปฌปานถ้าเคยหาความสุขจากอารูปฌาน ก็กลับมาก็จะมาเข้าสมาธิเข้าอารูณ ป, ประชานใหม่นี่คือเรื่องของพวกเราทุกคนที่มาเกิดในในโลกนี้ไม่ว่าเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนต่อเดี๋ยวบุญหรือบาปที่ส่งพวกเราไปพอมันหมดกำลังมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาทำสิ่งที่เราเคยทำต่อถ้าเราเคยทำบาปเราก็จะกลับมาทำบาปต่อถ้าเราเสพอบายามุขเราก็จะกลับมาเสพอบายามุขต่อแล้วต่อไปเวลาตายเราก็ไปรับผลของการกระทำของเราต่อไปเราก็ต้อง เวียนไหวาตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ต้องเจอกับความสุขบ้างเจอกับความทุกข์บ้างพบของมนุษย์นี้จะมีทั้งความสุขทั้งความทุกข์สลับกันไปถ้าพบของเทวดานี้ก็จะมีแต่ความสุขจะทุกข์ก็ตอนที่ตกจากสวรรค์ลงมาตอนที่เทวดาตกจากสวรรค์ ความสุขที่ได้จากการเป็นเทวดาก็จะหมดไปก็จะมาได้ความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ใหม่ถ้าตาบใดยังใช้วิธีต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีหาความสุขก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะจำเป็นที่จะต้องมีร่างกาย ที่จะมาสร้างความสุขต่างๆให้กับจิตใจออแล้วก็ต้องมาเจอค ว, ความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดกัน เ, ออเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันเราเจอการพัดพรากจากกันออไม่ว่าเราจะมีอะไรมากน้อยเพียงไร ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีการพัดภากจากกันไป ừ. เวลาที่อยู่ก็อาจจะพัดภากจากสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้าง ừ. แต่พอเวลาตายก็พัดภากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ่งต่างๆที่หามาได้เอาติดตัวไปไม่ได้ ừ. เอาไปได้ก็คือบุญหรือบาป ừ. ที่เราได้ทำกันไว้อ พอร่างกายตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันแล้วพอผลบุญผลบาปหมดแล้วหมดกำลังแล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่มาเพื่อมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่หรือมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิเข้าฌานใหม่ก็จะทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมา เข้าๆออกออกขึ้นๆลงๆในภพต่างๆนี่แหละคือผลที่เกิดจากการที่เรามีกามาตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาถ้าเรายังมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ทุกคนนี้รับประกันได้ว่า มีความอยากทางตาหูจมูกเิื้นกายด้วยกันทุกคนเดี๋ยวก็อยากจะดูนั่นเดี๋ยวก็อยากจะฟังนี่เดี๋ยวอยากจะกินนั่นลิ้มรสอาหารชนิดนั้นขนมชนิดนี้เดี๋ยวอยากจะดมกลิ่นของอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ yeah. มีความอยากอยู่เรื่อยๆเราเสพกามตัณหากันอยู่ทุกวันและกามาตัาหาตัวนี้ ที่จะพาให้พวกเราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆกลับมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายทุกข์กับการพาดภากจากกันอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับพวกที่เสพลูก ป, ประชญ์หรือเอาูก ป, ประชญ์พอกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะไปนั่งสมาธิเข้าฌานกันไปบวชกันเป็นนักบวชกันแล้วตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นพรมกัน แล้วพอสมาธิหมดกาลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาเติมสมาธิใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่นีไม่พ้นความทุกข์กันทุกคนถ้ายังเสพถ้ายังมีกามตัณหาภาวตัณหาหรือวิภาวะตัณหาอยู่ถ้าไม่อยากจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ไม่ต้องกลับมาสร้างรูปฌปานอารูปฌานใหม่ก็จะต้องใช้ต้องกำจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปให้ได้ต้องเลิกเสบรูปเสียงกลิ่นนั้นต้องละกามมตัญหาละการเสบรูปฌปานละละการเสพอรูปฌปานให้ได้ คืออย่าให้มีอย่าทำตามความอยากอยากจะดูอะไรก็อย่าดูอยากจะฟังอะไรก็อย่าฟังอยากจะลิ้มรสดมกลิ่นอะไรก็อย่าลิ้มรสดมกลิ่นอยากจะสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายก็อย่าทำมันต้องฝืนมันเหมือนคนที่จะเลิกสูบบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันต้องฝืนมัน ถ้าเราฝืนกับความอยากสูบบุหรี่ได้ทุกครั้งที่เราอยากสูบบุหรี่เราก็ไม่สูบมัต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็จะหายไปทำให้เราเลิกสูบบุหรี่ได้การสูบบุหรี่ก็สูบรูปเสียงกลิ่นรสของบุหรี่นี่เองสัมผัสกับของความรู้สึกที่เข้าไปในร่างกายของควันบุหรี่นี่เราก็เรียกว่าผดทัพพะ ควันบุหรี่นี่ก็เป็นโพพะะที่เข้ามาสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกายของเราพอสูบเข้าไปแล้วก็เกิดอาการรู้สึกสบายขึ้นมาแต่พอฤทธิ์ของบุหรี่หมดกำลังลงก็รู้สึกขาดอะไรขึ้นมาก็ต้องเติมต้องสูบใหม่ พอสูบใหม่มันก็ทำให้ต้องสูบใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะมันติดเนี่ถ้าอยากจะเลิกเวลาอยากจะสูบก็ต้องไม่สูบมันแต่เวลาไม่สูบมันนี่มันทุกข์มันทรมานจะสู้ความทุกข์ทรมานไหวหรือไม่เท่านั้นเองนี่คือปัญหาของผู้ที่อยากจะเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นนตต่างๆจะไปเจอปัญหาตอนที่ว่าเวลาที่ไม่ เสพนี้มันทุกข์มันทรมานคเคยดืม่มเครื่องดื่มชนิดไหนพอถึงเวลาอยากจะดื่มขึ้นมาถ้าไม่ดื่มมันแล้วมันจะรู้สึกหงดกุดหงิดําคาญใจขึ้นมาเคยดูอะไรพอถึงเวลาจะดูไม่ได้ดูมันก็หงุดหงิดขึ้นมาพอฟังอะไรไม่ได้ฟังมันก็จะหงุดหงิดขึ้นมาแต่ถ้าฝืนได้ไม่ทำตามมันได้ พอความอยากมันหมดกำลังมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราอีกต่อไปแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถฝืนกับความทุกข์ทรมานจากความอยากได้พอเกิดความอยากเราต้องรีบไปทําตามความอยากทันทีเพื่อระบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้มันหายไปพอได้สูดไปหลแล้วก็รู้สึกโล่งออกขึ้นมา พอได้ดื่มเล่าแล้วรู้สึกมันโล่ง อ, อกขึ้นมาพอได้ไปเที่ยวแล้วมันรู้สึกมันโล่ง อ, อกขึ้นมาพอได้ดูหนังดูละครแล้วโล่งขึ้นมาถึงติดกันนะติดหนังติดละครติดเพลงติดเครื่องเดิมต่างๆติดเที่ยวเพราะเวลาที่มันเกิดความอยากแล้วมันถ้าไม่ไปทำตามมันมันจะมันจะตายให้ได้ ชาวภาษาชาวบ้านเขาบอกมันลงแดงนอนดิ้นพ่านไปดูคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพยาเสพติดดูเป็นยังไงมือไม้สัน่นตัวสั่นไปทั้งหมดนั่นแหละอาการลงแดงของยาเสพติดยาเสพติดนี้มันมันมีฤทธิ์แรงกว่ารูปเสียงกลิ่นรสอย่างอื่นที่เราเสพกันแต่มันก็แบบเดียวกัน บุรีมันก็ทำให้มือไม้สั่นได้แม้แต่กาแฟเคยดื่มแล้วพอไม่ได้ดื่มมันก็รู้สึกทำให้มือไม้สั่นได้ใจสั่นได้แต่ทุกอย่างที่เราเสพทางตาหูจมูกนิ้งกายนี่มันจะทำให้เราติดกันและเวลาที่เราจะเลิกเราจะเลิกได้ยากเพราะมันต้องผ่านความทุกข์ทรมานกว่าจะผ่านได้เนี่ย แต่พวกเราตอนนี้โชคดีถ้าเราอยากจะเลิกนี้พระพุทธเจ้ามียาหรือมีเครื่องมือที่มาช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานได้เวลาที่เราจะเลิกเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่รู้สึกสั่นใจจะไม่สั่นมือไม้จะไม่สั่นได้ จะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานได้วิธีนี้ก็คือการเข้าสมาธินี่เองถ้าเราเข้าสมาธิเป็นพอถึงเวลาอยากจะดื่มหรืออยากจะสูบบุหรี่เราก็เข้าสมาธิไปแล้วความรู้สึกทรมานก็จะไม่มีพอออกมาความอยากสูบบุหรี่ก็หายไป ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็พอพอมือไม้สั่นแล้วก็เข้าสมาธิไปใช้สมาธิมาช่วยระงับเพื่อป้องกันไม่ให้เรากลับไปสูบบุหรี่ใหม่ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันจะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหายไป ทุกครั้งที่มันอยากจะสูบเราก็จะสอนว่ามันทุกข์สูบแล้วมันติดติดแล้วเวลาไม่ได้สูบมันจะทุกข์นี่คือวิธีของการที่เราจะเลิกความอยากต่างๆได้เราต้องเลิกด้วยวิธีของสมาธิและวิธีของปัญญาปัญญาก็จะเตือนเราสอนเราว่าอย่าไปเสพเสพแล้วมันติด ติดแล้วมันจะทุกเวลาไม่ได้เสพนี่คือปัญญาแล้วถ้าเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ทาตามความอยากมือไม้สั่นใจสั่นก็ใช้สมาธิหยุดมันไม่ต้องไปทาตามความอยากได้มีสองวิธีที่จะทําให้มือไม้ไม่สั่นเวลามันสั่นคือเข้าสมาธิไปหรือไปทําตามความอยาก อยากสู่บุรีมือไม้สัน่นก็ไปสู่บุรีเราไปสู่บุรีมือไม้ก็หายสัน่นแต่มันหายแบบชั่วคราวเพราะเดี๋ยวความอยากมันจะกลับมาใหม่แต่ถ้าเวลาเกิดความอยากแล้วมือไม้สัน่นเราไม่ไปสู่เราไปเข้าสมาธิแทนพอใจสงบมือไม้ก็หายสัน่นความทุกข์ทรมานก็หายไป พ อ, อ, อจากสมาธิมาความอยากสูบบุหรี่นั่นก็หายไปแล้วคราวหน้าพอมันมาใหม่ก็ทำแบบนี้ใหม่โดยให้ปัญญาเป็นคนบอกว่าห้ามห้ามเสพห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะมีเหตุผลอันใดก็ตามเพราะมันเสพแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์มันจะสุกแล้วมันจะติดแล้วมันจะทุกข์เวลาไม่ได้เสพ น, นี่คือปัญญาเห็นความทุกในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้ววิธีที่จะทำให้ไม่ทุกเวลาเกิดความอยากก็คือให้เข้าสมาธิไปให้ได้พอเข้าสมาธิได้ก็ปลอดภัยเหมือนคนที่จะต้องถอนฟันเนก็ฉีดยาชาพอฉีดยาชาแล้วหมอถอนฟันก็ไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยสมาธิเป็นเหมือนยาชา ที่จะทําให้ใจไม่ทรมานใจไม่สั่นเวลาที่จะถอนความอยากต่างๆเวลาอยากจะดูหนังก็เข้าสมาธิไปเวลาอยากจะฟังเพลงก็เข้าสมาธิไปเวลาอยากจะไปเที่ยวก็เข้าสมาธิไปอยากจะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปเข้าสมาธิที่วัดเนี่ยเดี๋ยวต่อไปรับรองได้ว่าความอยากต่างๆมันจะหมดกําลังไป นี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบที่จะทําให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละเป็นวิธีแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแก่ได้ส่งค้นพบและได้แก้ด้วย ได้ด้วยพิสูจน์ได้ทรงพิสูจน์ด้วยพระองค์เองเพระองค์เป็นผู้ได้พิสูจน์พระองค์เมื่อก่อนก็ติดมีกามตัญหาติดกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นเจ้าชายเป็นราชโอรสเนี่ยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตาทรงเห็นว่าต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตาย จะไม่สามารถหาความสุขได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะมีแต่ความทุกข์ก็เลยต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาก็เห็นวิธีของพวกนักบวชเขาก้ากันด้วยการเข้าไปในสมาธิแต่การก้าของนักบวชสมัยนั้นเขาไม่รู้ว่าเขา เขาแก้หรือเขาแก้อะไรเขาเพียงแต่รู้ว่าเวลาเขาอยากอะไรแล้วเขาก็มีความไม่ไม่มีความสุขเขาก็เข้าไปหาความสุขจากสมาธิวิธีแก้แบบนั้นก็ยังแก้ผิดเพราะไปอาศัยสมาธิเป็นเครื่องหาความสุขแทนเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไปหาความสุขจากความสงบโดยที่ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแต่สำหรับพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้ว่าทำเพื่อเลิกความอยากตา่างๆเวลาเกิดความอยากก็ไม่ทำตามความอยากแล้วถ้าเกิดความรู้สึกทรมานใจก็เข้าไปในสมาธิต่างกับพวกที่ ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเพียงแต่รู้ว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็เข้าสมาธิไปอันนี้ก็เลยทำให้ไปติดสมาธิได้ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่เลิกหาความสุขจากรูปเสียง ก, ยกยลิ่นลถได้แล้วก็จะไปติดความสุขอยากสมาธิก็ต้องไปเลิกตอนนั้นอีกทีหนึ่งต้องเลิกหาความสุขจากสมาธิเวลาอยากจะให้จิตสุข ก็ไปทําให้จิตสงบเนี่ยห่อไปก็ไม่ต้องไปทําให้มันสงบ mm hmm. เพียงแต่อย่าไปทําอะไร mm hmm. เพียงแต่อยู่เฉยๆ mm hmm. อย่าไปทําตามความอยาก mm hmm. คือภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหา mm hmm. ไม่เช่นนั้นมันก็ยังจะไปติดที่รูปภพอรูปภพเพราะมันยังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ยังอยากจะเสบรูปปฌานารูปประฌานอยู่ mm hmm. พอถึงขั้นนั้นพอเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้แล้วมันก็จะไปติดการเสบรูปประชานารูปประชานก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าถ้าไปติดรูปประชานมันก็จะทุกเวลาที่ไม่ได้เข้าฌานอีกถ้าไปเสบารูปประชานเวลาไม่ได้เข้าฌานก็จะทุกข์อีกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องฝืนมันตอนนั้นจะมีกำลังฝืนเพราะมีสติ ที่จะสามารถระงับความรู้สึกหงุดหงิดนำคาญใจได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใช้สติเป็นใช้สติกับปัญญาสอนใจว่าการติดรูปประชานการติดอารรูปประชานก็จะทำให้มีความทุกข์ตามมาเวลาที่จิตไม่สงบก็อยากจะให้มันสงบมันก็จะทุกขขึ้นมา ยันสอนใจให้หัดอยู่กับความไม่สงบของใจเวลาใจไม่สงบก็ให้ทำใจเฉยๆให้อยู่กับมันไปถ้ามีสติมีปัญญามันจะไม่ทำให้ใจสัน่นเพราะจะไปหยุดความอยากเสพรูปประชานารูปประจานมันก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่ติด มันก็จะไม่ติดรูปประจานารูปประจานมันก็จะไม่มีความทุกข์เวลาที่ไม่ได้เสพรูปประจานหรืออารูปประจานเหมือนคนที่ไม่ติดบุหรี่เวลาไม่ได้เสพ บ, บุหรี่ก็จะไม่รู้สึกทุกข์เพราเลิกสูบบุหรี่ได้ น, นี่ก็เป็นวิธีที่จะทําให้หยุดความอยากทั้งสามได้ หยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาได้พอหยุดได้หมดแล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดความสุขที่ไม่เคยมีก็ปรากฏขึ้นมาทันทีความสุขชนิดที่ถาวรที่จะอยู่ในใจไปตลอดเพราะตัวที่มาคอยปิดบังปิดกัน้นความสุขตัวนี้ก็คือความทุกข์ ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี่ที่เกิดจากการไปทำตามความอยากต่างๆมันเลยทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆพอเรากำจัดความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาในใจให้หายไปหมดความสุขที่ถูกความทุกข์บิดกั้นอยู่มันก็จะโผล่ึ้นมาเองเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจตลอดเวลา ใจขอมพวกเราตอนนี้มีความสุขของพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาเพราะเราเอาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆมาบังมันไว้มากั้นมันไว้เราเลยไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่ถาวรแต่พอเราได้มาค้นพบสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราทุก อะไรที่ทำให้เราไม่สุขกันอย่างท้าววนก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยพอเรารู้แล้วเราก็เลยต้องมาหยุดมันให้ได้และเครื่องมือที่จะใช้ในการหยุดมันนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบว่าคือการ ทำทานการรักษาศีลการภาวนาที่มีอยู่สองระดับคือระดับสมาธิและระดับปัญญาถ้าเราสร้างทานศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราก็จะมีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากได้ที่จะทำให้เราไม่ต้องมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไป ไม่ต้องมาหาความสุขจากรูปประชานไม่ต้องมาหาความสุขจาการูปปัจานเมื่อเราไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อ ไ, ไ, ไม่เกิดทุกข์ก็จะไม่มีทุกครั้งที่เรามาเกิดเราจะต้องเจอความทุกข์ของทางร่างกายทุกตั้งแต่เกิดเลยพอออกมาก็ร้องไห้กันแล้วเพราะบางทีหายใจไม่ออก ก็ต้องหายใจกันหายใจแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กับความหิวต่างๆหิวข้าวหิวน้ำแล้วก็ทุกข์กับความเจ็บต่างๆปวดท้องฉี่ปวดท้องเยี่ยวปวดท้องอะไรหรือทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายถ้ามีร่างกายแล้วมันจะต้องเจอความทุกข์กันทุกคนแต่ถ้าไม่มาเกิดไม่มีร่างกายมันก็ไม่เจอความทุกข์ และการจะไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากการม า, ารตัญหาภาวะวตัญหาวิภวะตัญหาการจะหยุดการมาารตัญหาภา ว, วตัญหาวิภวะตัญหาได้ก็ต้องอาศัยทานศีลภาวนาการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นมาอมพอเรามีเครื่องมือแล้ว เราก็พร้อมที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดทุกข์ก็จะไม่มีกับผู้ที่ไม่มาเกิดผู้ที่ไม่มาเกิดก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่ละคือ วิธีการที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่นี้ให้หมดสิ้นไปได้คิดดูถ้าไม่มีร่างกายเราต้องมากังวลกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้จะไปไหนมาไหนนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวไปติดเชื้อหวัดเข้าเ้วเดินทางก็เดี๋ยวก็ต้องเจออุบัติเหตุพอมีร่างกายแล้วนี้มันมีทุกภัยต่างๆคอยเข้ามา ปรากฏให้กับเราให้เราต้องมาห่วงมาต้องกังวลนอกจากทุกข์ภัยต่างๆแล้วยังทุกข์จากการที่จะต้องคอยหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายอีกต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคอีกล้วนแต่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแล้วพอ เลี้ยงดูมันไปจนถึงวัยชรามันก็มาทุกข์อีกแล้วเวลาแก่มันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะลุกจะเดินจะยืนจะทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็โรค ก, ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นโรคประจำตัวก็จะปรากฏขึ้นมาโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุดตันโรคอะไรต่างๆสารพัดโรคโรคไตโรคตับ มีอะไรมันก็ต้องมีโรคอวัยวะต่างๆนี่มันเป็นที่อยู่ของโรคภัยต่างๆมีหัวใจก็มีโรคหัวใจตามมามีปอดก็มีโรคปอดตามมาเอมีตับก็มีโรคตับตามมามีไตก็มีโรคไตตามมามีทุกสารพัดโรคถ้ามีร่างกายแล้วมีอวัยวะสามสิบสองนะเดี๋ยวมันมีโรคต่างๆมีเลือดก็มีโรคเลือดเห็นไหมมีปัสสวะมันก็มีโรคปัสสวะ มีทุกชนิดนี่แหละคือความทุกจากการที่มามีร่างกายกันแต่พอไม่มีร่างกายความทุกเหล่านี้ไม่มีเลยไม่มีโรคอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายให้มันเหนื่อยเลี้ยงมันแทบเป็นแทบตายเลี้ยงมันเพื่อให้มันไปหาโรคให้เราเอะพอมันแก่ขึ้นมามันก็หาโรคมาให้เรามาแก้ ตอนที่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่มีโรค ม, มันมันมีมันมีปัญหาคือมันไม่มีอะไรจะกินเราก็ต้องหาของกินให้มันพอมันโตไปพอมันแก่มันก็หาลูกมาให้เราอีกเนี่ <Yeah. Yeah. S 1> มีแต่เรื่องของความทุกข์ตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันตายถ้ามาเกิด yeah. Yeah. ถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องมาหยุดความอยากต่างๆ การจะหยุดความอยากคือกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้นี้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือทานศีลภาวนาการทําบุญทําทานนี้ความจริงเพื่อลดความอยากหลงนั่นเองถ้าเรามีเงนินเรามักอยากจะได้นู่นได้นี่ขึ้นมาพอมีเงินก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อลองเท้าใหม่ทั้งทั้งที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อ แต่ความอยากมันมีพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาเงินที่อยากจเจาไปซื้อของตามความอยากนี้เอาไปทำบุญดีกว่าเพื่อจะได้ตัดสะพานเมื่อไม่มีเงินความอยากมันก็จะไม่เกิดพอมีเงินพออยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของไม่จำเป็นเอาเงินนี้ไปทำบุญเสียไปทำบุญทำทานทำที่ไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้ทากับพ่อกับแม่ก่อนก็ได้ พ่อแม่เรามีพระคุณกับเราเราไม่ค่อยเลี้ยงดูท่านเหมือนท่านเลี้ยงดูเราฉะั้นเวลาเรามีเงินเหลือเพื่ออยากจะไปหาซื้อนูน่นซื้อนี่ก็ซื้อไปให้พ่อให้แม่ก็แล้วกันอย่าซื้อให้เราถ้าซื้อให้คนอื่นไม่เป็นไรไม่ได้ทําตามความอยากแต่ซื้อให้เรานี่มันทําตามความอยากวิธีนี้คือวิธีลดความอยากต่างๆวิธีลดความอยากการหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทําบุญทําทานแทนอยากจะซื้อของใหม่ทั้งที่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ก็เอาเงินไปทําบุญทําทานแทนถ้าซื้อของที่จําเป็นนี่ไม่ถือว่าเป็นความอยากะเช่นถ้าไม่มีข้าวกินก็ต้องซื้อข้าวมากินอย่างนี้ไม่เป็นความอยากเป็นความจําเป็นซื้อได้น ถ้าของมันจําเป็นแต่ถ้าไม่จําเป็นนี่ซื้อนี่เป็นการส่งเสริมความอยากส่งเสริมให้เรากลับมาเกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องตัดความอยากต่างๆยามความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆจากสถานที่ต่างๆจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสต่างๆนี่เราต้องพยายามตัดมันอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเสบบ่ทั้ง ัเฉพาะที่จำเป็นในการดำรงชีพกินอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เนี่ยแต่อย่า ก, กินมากเกินไปกินมากเกินไปก็เป็นการเสพความอยากทำตามความอยากอีกเหมือนกันทกินอาหารพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเสื้อผ้าก็ให้มีพอประมาณก็พอไม่ต้องมีมากเกินไปพอมากเกินไปก็เป็นความอยาก บ้านก็เหมือนกันบ้านก็พอมีหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องมีหรูหราไม่ต้องใหญ่โตมาโหฬารไม่ต้องมีหลายหลังเหมือนพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีปราสาทสามฤ ด, ดูสมัยนี้คนมีงานก็มีบ้านทั้งบ้านในเมืองบ้านในภูเขาบ้านทายทะเลอันนี้ก็ทําตามความอยากต้องตัดมันไปเอาบ้านเดียวก็พอ ร่างกายมีร่างเดียวทำไมต้องมีหลายบ้านด้วยเวลานอนก็นอนได้ทีละบ้านแล้วต้องไปมีหลายบ้านทำไมเพราะถ้ามีมีหลายบ้านก็ต้องมีรายจ่ายค่าใช้จ่ายเยอะก็ต้องไปทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองมาอีกมันก็เลยทำให้เราติดพันอยู่กับการหาเงินหาทองแล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของแบบพุ่มเฟือยแล้วทำให้เรานี้ ไม่สามารถที่จะไปรักษาสีลได้เพราะถ้าเราหาเงินหาทองเราก็อยากจะได้มากๆอยากง่ายๆอยากเร็วๆบางทีก็ต้องโกหกบ้างบางทีก็ต้องโกงบ้างมันถึงจะได้ง่ายได้มากได้เร็วกันนี่คือวิธีที่จะทำให้เราสามารถรักษาสีลได้คือวิธีทาบุญทาทานวิธีอยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แบบพอ พ อ, พอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอไม่ต้องให้มันหรูหราไม่ต้องให้มันใหญ่โตเกินความจำเป็นเลี้ยงดูร่างกายให้มันอยู่ได้แล้วเราจะมีเงินเหลือแล้วเราไม่ต้องทางานมากเพราะรายจ่ายเราจะไม่มากเราก็ไม่ต้องไปทำบาปถ้าเราต้องการเงินมากๆง่ายๆเร็วๆ เ, เ, เรามักจะต้องทาโดยวิธีทำบาป โกงบ้างหลอกลวงบ้างพูดปดบ้างพูดไม่จริงบ้างหรือบางทีบางคนก็ต้องทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยถ้าเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเงินมากเราก็แล้วถ้าเรามีเงินเหลือจากการที่เราเอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นเราเอาไปทำบุญมันก็จะทำให้เราเป็นคนใจบุญขึ้นมา คนใจบุญก็มักจะไม่ชอบทำบาปก็จะทำให้รักษาศีลได้คนที่ไม่ทำบุญนี่จะรักษาศีลยากเพราะว่าเสียดายเงินอยากจะเอาเงินมาซื้อความสุขให้กับตนเรื่องอะไรเอาเงินไปให้ความสุขกับคนอื่นแต่คนที่เห็นว่าการหาความสุขให้กับตนนี้เป็นการเสริมสร้างความอยาก เป็นการเสริมสร้างการให้กลับมาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็พยายามที่จะลดการใช้เงินทองเพื่อทำตามความอยากต่างๆล้ว เ, เอาเงินนี้ที่เหลือนี้เอาไปทำบุญไปช่วยเหลือนคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขการทำให้คนอื่นมีความสุขกลับทำให้เรามีความสุขมากกว่าการที่เราใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆให้กับเรานี่ก็เป็น ให้เปลี่ยนวิธีการใช้เงินเพื่อให้เราเกิดความสุขอย่าใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปทำบุญดีกว่าจะได้มีความรู้สึกมีความสุขดีกว่าแล้วก็จะทำให้มีความเมตตามีความปรารถนาที่ไม่อยากจะไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับคนอื่นเวลาจะทำอะไรก็จะต้องคิดก่อนว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ ก็จะไม่กล้าทําบาปนะคนที่ทําบุญนี้ก็จะรักษาศีลได้ง่ายคนที่ไม่ทําบุญนี้จะรักษาศีลยากเพราะจะคิดเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองคือเห็นแต่เห็นประโยชน์เห็นแก่ตัวพูดง่ายๆแต่คนที่ทําบุญนี้จะเห็นแก่คนอื่นด้วยเมื่อเห็นแก่คนอื่นเวลาจะทําอะไรก็ไม่อยากจะให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนขึ้นมา ก็จะทําให้สามารถที่จะสร้างเครื่องมือชิ้นที่สองได้คือศีลก็จะเริ่มรักษาศีลได้ตอนตี้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้ก็ให้เพิ่มเป็นศีลแปดเพราะถ้าไม่มีศีลแปดนี้จะไปสร้างสมาธิสร้างปัญญาไม่ได้เพราะศีลห้านี้ยังไม่ห้ามให้เราไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลง ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเรายังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิไปศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาขึ้นมาแค่เราต้องหัดถือศีลแปดกันตอนต้นก็อาจจะเอาอาทิตย์ละครั้งวันหกวันรักษาศีลห้าอีกวันหนึ่งลองมารักษาศีลแปดดู ลองมาเพิ่มอดข้าวเย็นอแล้วก็งดดูหนังฟังเพลงลดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็งดจากการหลับนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆที่มันสบายเกินไปมันจะทําให้นอนมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งๆมันจะได้นอนไม่นานนอนไม่มากแล้วก็งดจากการล่วมหลับนอนกับคู่ครองเพื่อที่จะได้เอาเวลาเหล่านี้มาฝึกสมาธิ มาทาใจให้สงบเพื่อที่พอเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็จะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้พราะเราจะมีความรู้จากการได้ศึกษาธรรมะว่าการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดในกางมาพบอยู่เลยเลยถ้าเราไม่อยากจะกลับมากลับมาเกิดในกางมาพบ เราก็ต้องเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นนัดต่างๆด้วยการเสพความสุขที่เกิดจากความสงบแทนพอเราเลือกการมาพบได้เราก็มาติดรูปประพบารูประพบเพราะเรายังติดกับการเสพสมาธิอยู่ พอถึงตอนนั้นเราก็ต้องไม่ไม่เสพไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่ตามปกติเฉยๆถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิก็ได้นะถ้าเราตัดความอยากสูบบุหรี่ได้เราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิตัดความอยากเที่ยวได้เราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิเราก็ไม่ต้องเข้าเราไม่ต้องใช้สมาธิได้ต่อไป สมาธิเป็นเพียงเครื่องมือให้เราหยุดความอยากต่างๆแต่พอเราใช้มันแล้วเราก็อาจจะไปติดมันได้ติดความสุขของสมาธิได้พอเรารู้ว่าเราติดความสุขของสมาธิเราก็ต้องเลิอกอยากเข้าสมาธิอยู่แบบไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพียงแต่คอยใช้ปัญญาคอยหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากเสพสมาธิ ต่อไปมันก็ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเพราะเรามีปัญญาที่จะสอนเราให้รู้ว่าสิ่งสิ่งใดที่เราไม่ควรเสพ<ม>คือเราไม่ควรเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราไม่ควรเสพรูปประชานเราไม่ควรเสพอารูปประชานถ้าเรามีกำลังมีสติมีปัญญาเราสามารถที่จะประคับประคองใจให้อยู่เฉยๆได้ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้เสพปไระลายได้ แล้วเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ความรู้สึกทุกข์ก็จะหายไปหมดแล้วความสุขมันก็จะปรากฏขึ้นมาในใจนั้นเองเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเพราะตัวที่มามาปิดกั้นความสุขนี้ถูกทำลายไปหมดนถ้า ถ้ายังมีความอยากอยู่พอเกิดความอยากปั๊บความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะหายไปความสุขที่เกิดจากการอยู่เฉยๆจะหายไปเพราะความอยากมันจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราคอยสกัดมันทุกครั้งที่อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดก็ไม่เสบทุกครั้งที่อยากจะเสบรูปประชานรูปประชานเราก็ไม่เสบมันพอไม่เสบมัน พอความอยากหายไปความสงบที่มีอยู่ในใจมันก็กลับพื้นค้นขึ้นมาใหม่ต่อไปเราก็เสพความสงบที่เกิดจากการไม่มีความอยากต่างกับความสงบที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากสมาธินี่ต้องอาศัยสติคอยเพ่งคอยหยุดความคิดหยุดความอยากต่าง แต่ความสุขที่เกิดจากการกำจัดความอยากด้วยปัญญานี้แล้วสกัดด้วยเหตุผลคือรู้โทษของกาของการมีความอยากของการทำตามความอยากว่าจะนำให้เราต้องไปอยากอยู่เรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราอยากเราก็จะทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมด แล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปเมื่อใจไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดเอนี่แหละคือวิธีกําจัดความทุกข์อย่างถาวรต้องกําจัดด้วยการมาทําลายหรือละความอยากทั้ง3คือการมตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากเสพรูปประชาน มีภาวะตัณหาความอยากจะเสพปรูปประชาพอละได้ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาถ้าไม่มีทานศีลภาวนาก็จะละไม่ได้ยิ่งถ้ายัางใช้เงินหาความสุขซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็ต้องเปลี่ยนจากการไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เอาเงินไปทำบุญทำทานแทนแล้วความอยากที่จะใช้เงินเที่ยวมันจะหายไปต่อไป แล้วก็จะทําให้เราสามารถรักษาศีลได้เพราะเราจะมีความเมตตามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเวลาทําอะไรเราก็จะไม่อยากจะให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนเราก็จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดเนี่ยพอรักษาศีลหน้าได้เราก็จะมีกําลังที่จะเพิ่มเป็นศีลแปดได้พอมีศีลแปดเราก็จะมีเวลา ที่จะไปฝึกสมาธิที่จะไปฟังธรรมไปศึกษาธรรมะไปศึกษาปัญญาเพื่อเห็นให้เห็นว่ า, าสิ่งต่างๆที่เราเสพกันนี้จะพาให้เราต้องไปทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะามันเป็นสิ่งที่เราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดแล้วก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาถ้าไม่เสพก็จะถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่แต่ถ้าฝืนมันได้ ด้วยใช้ปัญญาด้วยใช้สติให้อยู่เฉยๆให้ทาใจให้นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องไปทำตามความอยากถ้าสติปัญญามีกำลังมากแล้วไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพียงแต่ใช้สติปัญญาสอนใจว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอย่ากแวก่งเท้าไปหาเซียนอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขเนี่ยดีกว่าไปถ้าความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะความสุขที่เราหามาได้เดี๋ยวมันจะต้องหมดไป หมดไปแล้วก็ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้ก็ไม่ต้องไปหาอะไรจะอยู่เป็นสุขได้ต้องมีสติมีปัญญาในระดับเขาเรียกมหาสติมหาปัญญาที่มีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องไปอาศัยรูปฌานอารูปฌานแต่ตอนตอน้ตนตอ น, ตอนที่จะเลิก การมตัญหานี้ต้องอาศัยสมาธิเพราะาสติปัญญากำลังไม่พอแต่พอได้ผ่านการมะตัญหาไปได้แล้วสติปัญญาจะมีกำลังพอที่จะหยุดความอยากที่จะใช้สมาธิเป็นเครื่องมือได้จิตก็จะกําจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจได้เมื่อความอยากทั้งสามหมดไปจากใจการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไป เมื่อไม่มีการเกิดทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องและถาวรต้องแก้ด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแก่คือต้องแก้ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่ก็คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราภิริปุเรหิติสาคหลัง เอวเมวะยุตโตทินังเปตตาังอุปการปิติยิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยตาเณีโชติฮาระโสยตาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพารโควิ เนื้อสตมาเตภวตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลา ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่ว่างจะต้องทำงานอย่างอื่นต่อไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 592, YouTube 330, วิทยุออนไลน์ 15, ผู้รับฟังบนนี้ 82, รวม1019ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังบนนี้นะคะคำถามที่1การทำบุญทำทานในพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์และไม่ใช่เนื้อนาบุญเวลาอุทิศบุญให้ญาติที่ล่วงลับญาติจะไม่ได้รับไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ ไม่จริงหรอกเพราะบุญไม่ได้เกิดจากผู้รับบุญเกิดจากผู้ให้ถ้าคุณให้ไม่ว่าจะให้ไข่คุณก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจปล่อยนกปล่อยปลาคุณก็เกิดความสุขคุณจะแบ่งความสุขนี้ให้กับผู้ลงรับไปแล้วได้นบุญ ก, ก็คือความสุขใจดังนั้นผู้รับนี้ไม่ได้เป็นบุรุษไปเสน่เหมือนที่เขาว่ากันว่าถ้าให้กับพระพระเป็นบุรุษไปเสน่ที่ อที่ที่ดีที่จะส่งให้ไปถึงผู้รับแต่ไม่ไม่ต้องมีผู้ไม่มีบุรุษไปชนีก็ส่งไปได้นะขอให้มีผู้รับทานของเราเท่านั้นเอาถ้าเงินไปทิ้งอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ไม่มีใครรับบุญรับทานจากเราแต่ถ้าเราเอาไปให้ใครแล้วทําให้เขามีความสุขแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ไม่มีร่างกายได้ คำถามที่สองค่ะพระอาจารย์บอกว่าเวลาทำสมาธิห้ามเดินปัญญาผมติดปัญหาเรื่องนี้เป็นบางครั้งเหมือนต้องใช้ปัญญาในการช่วยทำสมาธิด้วยเวลาผมนั่งสมาธิพอเข้าความสงบ แต่มีความเจ็บปวดเข้ามาแทรกผมจึงเอาร่างกายมาพิจารณาเช่นถามในใจว่ามันปวดส่วนไหนถ้าปวดที่ขาก็คิดว่าเอากล้ามเนื้อที่ขาออกแล้วจะปวดอีกไหมถ้าปวดที่กระดูกผมก็พิจารณากระดูกให้เป็นธาตุดินให้มันย่อยสลายเป็นธาตุดินจิตก็ว่างร่างกายจิตก็ว่างร่างกายชั่วคราวทําให้สงบขึ้นบ้างแบบนี้ได้ไหมครับขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะไ ด, ได้นี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ท่าที่ใช้พุโทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้หยุดความทุกข์ใจไม่ได้ใช้ปัญญาได้สอนใจให้ปล่อยวางได้ก็ใช้ได้นี่แหละที่ท่านเรียกว่าปัญญาลมสมาธิปัญญาลมสมาธิจะใช้ได้ก็ตอนที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่เกิดความทุกข์นี่มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนยานะถ้ายังไม่มีโรค ก, กินยาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าปราะกอโรคแล้วพอกินยามันก็จะเห็นผลทันที ในเวลาเรานั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดความทุกข์จากความเจ็บก็ดีเกิดจากความฟุ้งซ่านก็ดีบางทีเรากังวลกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้พุทโธมันก็ไม่ยอมหยุดใช้ดูลมมันก็ไม่ยอมหยุดก็อาจจะใช้ปัญญาไปพิจารณาเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจถ้าพิจารณาเห็นว่าเขาเป็นตายรับเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพอเราเห็นเราปล่อยวางได้เราก็ จิตใจเราก็หายฟุ้งซ่านสงบได้ต้องมีเหตุถึงจะใช้ปัญญาลมสมาธิได้หรือเวลานั่งแล้วเจ็บเนี่ยบางทีพุโทโธไม่อยู่ดูลมไม่อยู่ก็ใช้ปัญญามาพิจารณาเจ็บตรงกระดูกกระดูกเวลามันอยู่ในหม้อเวลาเขาต้มกระดูกทำไมมันไม่ร้องมันไม่เดือดร้อนมันก็เป็นแค่กระดูก ตอนนี้มันก็เป็นกระดูกเหมือนกันมันก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือกายเล่านั่นแหละผู้รู้ที่ไปเดือดร้อนแทนกระดูกกระดูกมันก็แค่เป็นแค่กระดูกเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนเหล็กดีๆนี่เดีย๋ยวลราเอาโยนเข้ากองไฟมันก็ไม่โวยวายนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่กระดูกปัญหาอยู่ที่ใจเราไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปถ้าเราปล่อยให้มันเจ็บไปไม่ไปยุ่งกับมันเพราะเราห้ามมันไม่ได้ เจ็บก็เจ็บไปก็ดุกว่าไม่เดือดร้อนเราไม่ได้เป็นคนเจ็บเราไปเดือดร้อนแทนกระดูกทาไมพอเห็นด้วยปัญญามันก็ปล่อยได้ปล่อยให้มันเจ็บได้จะคุณแมวเหมียวมีบุญไปถึงขั้นพรหมแล้วทําสมาธิเป็นขั้นพรหมแล้วไม่ได้หรือทําไมต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่อยทําสมาธิต่ออีกค ะ, ะเพราะขั้นพรหมนี่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการกระทำไงมีแต่การรับผล พอผลหมดพอบุญหมดมันก็ต้องลงมาที่แหล่งที่สร้างบุญใหม่ก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไม่กลับมาเกิดแล้วมีผัวมีเมียเหมือนคนอื่นโลกนี้กลับมาเกิดก็มักจะไปบวชไปนั่งสมาธิต่อเพราะเคยหาความสุขแบบนี้ติดติดแบบไหนก็จะกลับมาหาความสุขแบบนั้นเคยติดกับความสุขจากการมีผัวมีเมียก็จะกลับมามีผัวมีเมีย ถ้ามีความสุขจากนั่งสมาธิก็จะกลับมานั่งสมาธิใหม่เหมือนเหมือนมาเติมน้ํามันรถนะนการมาเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับไปขับรถไปจอะตาปั๊มน้ํามันพอขับรถไปเติมน้ํามันเต็มถังเดียวขับไปสักพักน้ํามันก็หมดหมดก็ต้องแวะปั๊มเติมน้ํามันใหม่เออันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะทําบุญชั้นเทพชั้นชมบุญมันก็หมดมมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเติมบุญใหม่ ถ้าอยากจะกลับไปชั้นเทพก็ทำบุญทำทานรักษาศีล<ม>ถ้าอยากจะไปชั้นพรหมก็ไปนั่งสมาธิถือศีลแปกั น, <ม>นแต่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเติมอยู่เรื่อยๆก็ไปนิพพานเลยอย่าไปติดกับการหาความสุขจากตามอย่าไปหาความสุขจากฌานจากสมาธิมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่จะคุณวิโร์ ถ้าป่วยแล้วปล่อยให้ปล่อยไปไม่รักษาเพราะรู้ว่าอย่างไรก็ตายถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายจะบาปไหมครับอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราเย็นสบายไม่บาปนะปล่อยวางได้ <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเรียกว่าปล่อยให้มันตายปล่อยให้มันตายกับฆ่าฆ่ามันตายต่างกันเพราะฆ่ามันตายต้องใช้จิตทำต้องสั่งมันต้องใช้เอามีดมาทิ่มมาแทงเอายามาอะไรแต่ถ้าปล่อยให้มัน มันหยุดทำงานของมันเองนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเรียกก็ปล่อยวางปล่อยวางไม่บาปปล่อยวางเป็นบุญเจอคุณบุษราคำมีสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งเคยอ่านพบว่าพรหมขั้นสุทธาวาสสามารถปฏิบัติต่อได้และบรรลุโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเท็จจริงอย่างไรคะ พอท่านอนาคามีเวลาพออยู่ชั้นพรมห้าชั้นนี่มันจะขยับไปเองเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วปัญหามันอยู่ที่ใจใจยังวึกยึกยุกยิกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ปัญญาก็หมุนเตี้วคอยมาแก้ปัญหาที่มันยุกยิกยุกยิกต่างๆมันก็มีสังโยชน์ในาตัวที่มันยุกยิกยุกยิกอยู่ในใจที่ใช้ปัญญาทํำลายมันได้ความติดในรูปประชานเนี่ยความติดในรูปประชานความ ความถือตัวแล้วก็ความฟุ้งซ่า น, นแล้วก็วิชาเนี่ยห้าตัวนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้จิตลวนๆเป็นใช้ปัจติปัญญาที่มีอยู่ในจิตนั้นทำลายให้หมดไปได้เดี๋ยวโยมาถามอยากจะถามคำถามเนี่ยเดี๋ยวส่งไมไปให้โยเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนอ เปียนถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องการนั่งสมาธิคือเออปัจจุบันนั่งบ้างไม่นั่งบ้างแต่ว่าเป็นบางครั้งนั่งไม่เหมือนกันอยากมันติดปัญหาตรงที่ว่าขณะนั่งเนี่ยบางทีพอเราตามแสงจนมันมันมันดับแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามันมืดไปหมดแล้วก็เงียบเรารู้สึกว่าขณะนั้นเราหลับอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เะเหมือนได้สักพักก็จะดึงสติกับมาที่แสงใหม่แล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเลยไม่ทราบว่าจะไปทางไหนต่อค่ะเวลานั่งใช้อะไรนั่งนั่งเฉยๆแล้วดูลมหรือพูดโทรหรือเปล่านั่งสมาหลังไปก่อนจนมันเงียบงเงียบจนจนลืมมันเงียบก็ต้องทำต่อไปอย่าหยุดนั่น ถ้ายังสัมมาหลังได้ก็าาสัมมาหลังต่อไปค่ะจนจนมันหายจนมันมันมันมันเงียบไปจนมันมืดแล้วก็ถ้ามันมืดก็ไม่ใช่มันต้องสว่างถึงจะใช่ค่ะถ้ามัน<จ>มืนมดก็ดึงสัมมาหลังกลับมาใหม่ค่ะมันก็เลยวนวนไปวนมาสามาหลังต่อไปอย่าหยุดสามาหลงค่ะอย่าให้มันมืดให้มันสว่างให้มันสงบให้มันเย็นให้มันสบายถึงจะหยุดสัมมาหลังได้ ที่นี้ความความสว่างมันมีอยู่สองแบบบางครั้งก็เหมือนอยู่ในปุยเมฆ อ, อ่ะได้แบบไหนก็ได้ขอให้มันสงบมมีความสุขแล้วนิ่งเฉยไดออ้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่อยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งอยู่เฉยๆเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถึงจะหยุดได้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องสัมมาหลังไปเรื่อยๆต่อไปแล้วถ้านั่งจนมันลืมลืมภาวนาตรงนั้นแล้วล่ะคะ ก็ดึงกลับมาใหม่แล้วมันเลิมก็ต้องปลุกมันขึ้นมาใหม่คือวนไปแล้วเดี๋ยวมันจะเอถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่มันอิ่มแล้วมันก็ต้องทํามาละห่งไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันอิ่มจริงๆมันสุขจริงๆมันมันมีความสุขมากๆแล้วมันไม่มันไม่คิดไม่ปรุงแต่มันรู้ตัวมันตื่นนี้แสดงว่ามันถึงจุดที่อิ่มตัวก็หยุดได้แล้วเราอ๋อเราต้องนั่งไปตลอดก่อน ก็นั่งไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดมันให้มันหยุดเองให้มันหยุดด้วยเมื่อมันถึงถึงจุดอิ่มตัวเคยได้ เ, เจอความสุขที่มันรู้สึกมหาชาชัศจรรย์ใจรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบายอก ส, สบายใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนั่นแหละเคยนั่งได้ครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่านานๆครั้งจะนั่งเอ่อนานๆจะเกิดได้สักครั้งห น, นึ่งต้องพยายามทำบ่อยๆ ทำเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างมาตอนปกตมานั่งฟังธรรมเนะะี่ยค่ะบางทีนั่งสมาธิอย่างวันนี้ก็เหมือนอยู่ในถ้าก็ดีเย็นเป็นเข้าข้างในเวลาสงบมันก็เหมือนเข้าไปในถ้ำเหมือนสแกนในถ้ำแล้วเห็นทางเข้าสองทางอ่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้ามันเข้าไปแล้วมันนิ่งมันเฉยก็ใช้ได้อย่าไปหาอะไรดู ไม่ต้องการให้เจออะไรไม่ต้องการให้เห็นอะไรไ ม, ไม่ต้องดูเอไม่ต้องหามันเอให้ดูเฉยเฉยเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าไปติดตามเพราะเดี๋ยวมันพาเราหลงทางได้ค่ะวันนี้มันเป็นอย่างนี้ตอ น, อ, อนนี้ออย่าไปสนใจอให้ให้รู้เฉยเฉยให้ปล่อยวางทุกอย่างที่บ้าปรากฏให้รับรู้อย่าไปตามรู้อย่าไปติดมันอย่าไปติดพันกับมัน อย่าไปรักอย่าไปชังมันให้ไม่สนใจแล้วก็ผ่านไปใ่ไผ่านไปก็แล้วก็ดับค่ะคาถามต่อเนื่องของคุณบุษราคมนะคะคาถามข้อที่สองคือแล้วต้องปฏิบัติขนาดไหนถึงจะหลุดพ้นได้เพราะเบื่อโลกมนุษย์แล้ว ค, ะค่ะก็ปฏิบัติไม่หยุดนะสุปฏิปันโนตั้งแต่เช้าตั้งแต่ลืมตาจนถึงเวลาหลับทานี้ไปทุกวันทุกวันจนกว่ากิเลส ความอยากต่างๆตายไปหมดจากใจะถ้ายัางไม่หมดก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าทําจริงๆพระพุทธเจ้าบอกรับไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็ไม่ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าปฏิบัติแบบเต็มที่เต็มร้อยแบบสุปฏิปันโนนะไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นละปฏิบัติอย่างเดียวจเจริญสติจเจริญปัญญาสลับกันไปเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเอง เจอคุณกิตพัฒนผมฝึกนั่งสมาธิแบบดูลมหายใจและใช้ปลายจมูกเป็นจุดโฟกัสซึ่งเป็นแบบสมถะกราบขอคําแนะนําในการยกจากสมถะขึ้นเป็นวิปัสสนาว่าต้องทําอย่างไรครับ อ, อ๋อต้องออกจากสมถะก่อนต้องออกจากสมาธิก่อนเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิหรือเวลาที่ไม่ได้นอนหลับนี่เป็นเวลาที่จะเล่นวิปัสสนาได้เดินจงกรมกับพิจนาตายรักได้ตาลักในราบยศสารเสริญสุข ใจรักในร่างกายใจรักในเวทนาใจรักณ์ในจิตเนี่ยพิจารณาได้หมดยกเว้นเวลานับหลับหรือเวลาที่อยู่ในสมาธิทําสมาธิเท่านั้นที่เราไม่พิจารณาคําถามที่สองนะคะฌานและญาณต่างกันอย่างไรครับฌานก็คือความสงบญาณก็คือความรู้ญาณก็คือปัญญาฌานก็คือสมาธิ ตัวเหมือนกันด้วยไมช่อชจเชยกับ ย, ยอหญิงนี่ถ้าตามไม่ดีอาจจะอ่านผิดอ่านถูกนะตัวมันเล็กเนียจะคุณเทวาความเข้าใจว่าทั่วโลกธาตุหิวบุญคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงข้อนี้เข้าใจถูกต้องตามธรรมหรือไม่ครับไม่ถูกครับทั่วโลกเจ็ดทุกดวงมันมีแต่หิวหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสหิวกับลาบยศสารเสริญสุข ผู้ที่ไม่หิวกับความสงบหรือหิวจากการสิ้นกิเลสนี่มีน้อยตอนพระพุทธเจ้าจึงไม่มีกำลังใจที่อยากจะสอนใครพอมองไปที่ไหนมีแต่หิวกับลาบยศสารเสริญไม่มีใครหิวกับการสิ้นความโลภความโกรธความหลงแต่หลังจากมาแยากคนดูก็มีพวกถึงแม้จะมีจำนวนน้อยก็มีอยู่พวกที่แสวงหาการสิ้นกิเลสกัน คือพวกนักบวชต่างๆท่า น, นก็เลยมีกำลังใจว่าสอนพวกนี้ดีกว่าให้พวกที่ยังโลภกับราบยศสรรเสริญก็ไม่ไปยุ่งกับเขามุ่งไปสอนพวกที่มุ่งต่อการสิ้นกิเลสกันก็พวกนักบวชทั้งหลายแล้วพวกนี้พร้อมด้วยเพราะ ม, มีศีลมีสมาธิแล้วพอแสดงปัญญาเขาเขาก็เข้าใจเขาก็บรรลุได้ทันทีคุณรุ่งดี ตอนบ่ายเดินสมาธิจิตนึกถึงพุโทโธสมาธิชัดเจนรู้สึกสงบสบายมากสักครู่รู้สึกว่าจิตมันเดินอยู่ข้างๆร่างกายที่กำลังเดินอยู่เป็นแบบนี้ประมาณสี่เมตรต่อมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะออก็เรื่องของจิตเนี่ยมันไปปรงแต่งขึ้นมาหลอกเราอย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราไปถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไป จิตมันจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายข้างขวามันเป็นการเล่นกลของจิตเขาเรียกอย่าไปสนใจจิตมันโกหกหลอกลวงเราชอบหลอกลวงเราชอบกั่นแกล้งเราเอยชอบปรุงแต่งชอบสร้างภาพมาหลอกเราอ่ะนั้นอย่าไปสนใจเวลาทำสมาธิให้สนใจกับการภาวนาพุทโธถ้าใช้พุทโทธก็พุทโทธไปจิตมันจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโทธไป เจ้คุณศูนย์ศูนย์ขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะโยมต้องต่อเติมบ้านที่จะเข้าอยู่อาศัยแต่มีสารพระภูมิอยู่ในบริเวณที่จะต่อเติมโยมจะเคลื่อนย้ายต้องขอขามาอย่างไรเจ้าค่ะก็พูดไปในใจว่าเหมือนกันเราขอโทษคนน้นคนนี้ก็เหมือนกันข้าพเจ้าจะมีความจําเป็นที่จะต้องขอย้ายบ้านท่านขอให้ท่านปวดให้อภัยข้าพเจ้าด้วยและเพื่อที่จะทําให้ ท่านสบายใจจะทำให้บ้านมั่นคงกว่าเก่าดีกว่าเก่าต้องพัฒนาบ้านศาลพระภูมิด้วยไหนๆจะย้ายทั้งทีก็ทำให้มันดีกว่าเก่าให้มันมั่นคงกว่าเก่าถ้าสีมันเก่าก็ทาสีใหม่อะไรมันบกพร่องก็ทำให้มันก็เหมือนบ้านเราเวลาเราซ่อมบ้านเราเราก็ปรับปรุงให้มันดีกว่าเก่าใช่ไหมแล้วทำไมบ้านศาลพระภูมิของภูมิศาลพระภูมิทาไมแล้วไม่ไปปรับปรุงให้เขาด้วย เขาปรับปรุงให้เขาแล้วเขาก็จะดีใจไปกับเราอ๋อคุณได้บ้านดีเราก็ได้บ้านดีก็โอเคต่างคนต่างแฮปปี้หมดได้ยังมีอีกค่ ะ, ะจากคุณคิดพัฒน์ทำไมศีลแปดจึงจำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำสมาธิครับนอกจากการมีเวลาที่พระอาจารย์ได้พูดถึงขอบพระคุณครับคุณไม่มีเวลาแล้วคุณจะไปทาสมาธิได้ยังไง ถ้าคุณไปนอนกับแฟนคุณก็ทําสมาธิไม่ได้ถ้าคุณไปเที่ยวคุณก็ไปทําสมาธิไม่ได้อย่างั้นก็ต้องถือศีลแปดเพื่อห้ามไม่ให้ทํากิจกรรมเหล่านี้เราไม่มีไม่ได้ทํากิจกรรมเหล่านี้มันก็จะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิเดินจงกุมได้อีกคําถามจากคุณกิตพัฒนนะคะผมมักจะตัดความหงุดหงิดความไม่พอใจหรือความโกรธไม่ทันขอความเมตตาขอคําแนะนําครับคําถามสุดท้ายนะ เพราสติเรายัางมีกําลังน้อยพยายา ม, มฝึกสติให้มากพยายามท่องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่ในใจต่อไปเวลาเกิดความโกรธอะไรขึ้นมาก็พุทโธได้ทันทีพอพุทโธไปปั๊บเดียวความโกรธก็หายไปความโลภ ก, ก็หายไปมันกลับมาใหม่ก็พุทโธใหม่เหมือนเหยียบเบรกไงเวลารถมันไหลเราต้องการให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกพอเหยียบเบรกมันก็หยุดพอเราปล่อยเบรกถ้ามันไหลเราก็ต้องเหยียบใหไป ถ้าเราไม่มี break, เบรกเหยียบยังไงมันก็ไม่หยุดถ้าเราไม่มีพุโทโธเราไม่เคยใช้พุโทโธมาก่อนถึงเวลามันพุโทโธไม่ออกยังต้องหมั่นพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆฝึกพุโทโธไปแล้วต่อไปเวลาเกิดความโลภความอยากความโกรธก็สามารถที่จะหยุดมันได้เราในะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพิจิจารณาไปปฏิบัติ